ธรมมชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าลิงสองพี่น้องวัน้เป็นวันที่24 กรกดาคมพุทธศักราช2557พวกเราเข้าพรรษาวันที่12วันนี้วันที่24แล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อได้พูดป่ารบเรื่องการปลูกป่าในสระน้ำของเราที่ทางกรโลปกครองหรือว่าหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ที่มาลอกสระไม่ใช่ขุดสระนะลอกสระน้ำมันตื้นเขินเมื่อสองปีน้ำมันแห้งก็เลยมาลอกสระให้มันลึกลงอีกแต่ก็อขอบสระดินที่เอาขึ้นมาใหม่สระหนึ่งปลูกไปแล้วเนื้อที่สิบไร่สระลูกหนีลูกที่สองนี่ก็คงจะเป็น ครึ่งครึ่งกันน่ะลูกที่สามก็คงจะไม่แพ้กันวัระนั้นไม้ที่จะปลูกทิศใหม่ทิศที่สะแรกที่เราปลูกไปหลวงพ่อไปเห็นผลงานของพวกเราคณะทายาิโยมพานเนลูกหลานไปเห็นนะอไม้ต้นปลาล์มแล้วก็ไม้ผ ล, ลไม้พวกสมผพู์พวก ตากบพวกหมากเมาลูกไสต้นไสมีหลายหลายเผ่าพันธุ์งพ่อไปเห็นกันถูกต้องแต่ได้ยังสะที่สองสทาน้สที่สองกับสาที่สามคงจะเริ่มเริ่มปลูกนะถ้าเป็นไปได้ให้ช่วยๆกันถ้าหากว่าเป็นไปได้ไม้ คนผู้เท่าทําไม่ทันคับไปเอาไม้ที่เราปักไว้ก่อนก็ได้เนี่ยไปถอนถอนถอนถอ น, อนพอปักไว้แล้วก็แปบลบว่ามันเป็นต้นไม้แล้วเอามาปักใหม่จัดเป็นรางเรียงแถวแล้วก็ขุดหลุมอพอขุดหลุมแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วก็เป็นแถวแล้วก็ถอดจากกลุ่มนี้ไปปักกลุ่มใหม่อีกก็ได้เพื่อเราหมายหมายไว้ว่าเราจะเอาลงจุดไหนท่านเอง เพราะว่าไม้ไผ่ถ้าว่าปักไว้นานก็ดีถ้าเป็นต้นไม้เล็กนะถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไม่จําเป็นอยต้องปักเว้นเสียแตปักลงไปแล้วก็เอาเชือกมัดไม่ห้มันล้มมันเอ็นท่านเองแต่ถ้าว่ามันไม่ล้มไม่เอ็นกันเราก็ไม่จําเป็นไปหาปักต้นไม้อีกก็ได้ น, นช่วยกันคิดอนะอันนี้ตรงนี้เป็นความคิดของหลวงพ่อครัว่าทํางานแบบประหยัดไม่ใช่ว่า ไม่มีหลักเราก็ทําอะไรไม่เป็นเฉลยคอยหลักอยู่นั่นนะผูดที่จะทําสักหลักให้ก็ยุ่งยากะเพราะนั้นเราก็ปักปะปะปะปักขุดเสร็จแล้วก็เอาถอดหลักไปปักแถวไม้เองปะปะปะปักขุดโบกอถอนเป็นช่วงๆเพราะมันเป็นแถวเป็นแนวอยู่แล้วะแต่ไม้ที่จะต้องหาลงพ่อก็ได้ทาง คณะของพออสุจิตกับดาบเอกก็บอกว่าไม้ปลามก็ได้ติดต่อประสานไปแล้วจะได้ประมาณสักสามสี่ร้อยกว่าต้นก็น่าจะเพียงพอนะแต่ไม้สักถามท่านลุนยงยังเหลือจุประมาณสักสามร้อยหลวงพ่อน้อยไปสักหน่อยถ้าได้อีกสักสามร้อยเป็นห0ร้อยน่าจะพอไม้สักนะ และส่วนปะดูมัก่าตะเคียนทองไม้ยางได้เอาเอาในละแวกนี้พอบ ะ, ะกลมปาม่าไม้มีอยู่ที่น้ำตกยุงทองบ้างที่บัน่นวังแค่บ้างในละแวกนี้มีอยู่ไม้กูบาท่านบอกว่ามีอยู่อันนี้กัเราคงจะไปปรสานเอาไม้นปนี่แหละปะดูมักฆ่าตะเคียนทองไม้พยุงจะเป็นไปได้นะ ถ้มีไม้ประยุงเอามาปลูกด้วยริมลิมสะไม้ป่านี่เทว่าไม่มีปัญหาแต่ไม้ผลยังขาดไม้ผลไม้ผลบอกว่ายังไม่มีแลไม้ผลก็ช่วยกันหาดูนะว่าใครเห็นอยู่ที่ไหนไม้ข น, นนุนมะม่วงแต่ลําไยลําไญเนี่ยนะอย่าไปปลูกแต่ลําไยเพราะว่าหลวงพ่อเคยปลูกมาแล้วถ้ามันอยู่ในร่องมันจะไม่มีลูกมี ผลเลยลนะ่ะลำใหญ่แต่ถ้าเป็นหมากเม า, เาลูกว่ า, าลูกไซเหล่านั้นอนะ่ะมันเป็นไม้ป่าปลูกเข้าไปที่ไหนก็พอเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะผลิต ด, ดอกออกผลได้อย่างสมโพธิ์อย่ากัปลูกได้พอมันอยู่ในที่โลง่งเนี่แหละให้ช่วยๆกันดูนะถ้าเป็นไปได้เอามาปลูก นหลวงพ่อเองก็เน้นเรื่องตปะปูมักข่าตะเคียนทองไม้สักที่มากกว่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนั่งรถเข้าไปจะเห็นไม้สักกับปดูมักข่าสลอนไปหมดเต็มวัดไปหมดแปลว่าในวัดของเราไม้สักนเป็นอันดับหนึ่งที่มากที่สุดท่านหลวงพ่อพูดเวอรเกินไปกว่าเป็นแสนต้นป่นะมันรูปลูกไม่รู้ทลายต่อเท่าไร แต่เดีเดนี้ก็ทำเอามาทําประโยชน์ได้มันใหญ่พอสมควรแล้วถ้าจะทำนะแต่ก็ไม่รู้จะทําไปทไําหมกาไว้อย่างนั้นอนะ่ะอันนี้คือไม้ศักด์มันถูกกับดินแต่รุ่นหลังในหลวงพ่อมาพิจารณาดูอีกว่าพวกสัตว์ในวัดของเรามีเยอะเลพวกเลีงข้างบางเช่นนี้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพวกนกพวกกระรอกกระแต มันจะกินอะไรเนี่มีแต่ไม้ประดูมะค่าแต่เกียนทองมันไม่มีอะไรที่จะกินเพราะนั้นเราพวกเราควรจะปลูกพวกไม้เสริมเข้าไปอีกเถนี่พวกผลไม้ที่มันจะกินได้พวกกลูกไส้พวกตาคบพวกนี่แหละที่มันเป็นลูกมันรู้จักหยุดเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นอาหารของมันเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้ปลูกพวก ผลไม้ผสมผสานเพื่อเลี้ยงสัตว์พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยลูกปรามเหมือนกันแต่ปลูกปรามเนี่ถ้าเราไปเห็นนะขนาดกายังกินนะบินมามากินจะ ก, กินให้เขากินอั น, น่งเปลือกของมันนะ่ะมันหวานนะคนก็กินได้เขานะท า, ทางภาคใต้นะเขาบอกว่าเปลือกมันกับคนก็กินได้กินเปลือกมันแต่ว่าแก่นของมันอแกนในของมัน่ะอันนั้น หล่นลงไปเนี่ยเขาไปบีบแล้วเป็นน้ํามันปาราล์มอยู่ข้างในมันอันนั้นก็พวกกระลอกกระแตที่มันตกลงหล่นลงไปในดินพวกนั้นก็กินเป็นอาหารของเขาได้อีกเพราะมันมันเหมือนกับลูกเหมือนกับลูกกระบอกลักษณะอย่างนั้นลูกกระบอกที่มันหล่นลงไปกระลอกกระแตก็เอาขึ้นมาแล้วก็กินลูกกระบกที่มันหล่นลงไปเนี่แหละอันนี้ก็ หลวงพ่อมันเกิดประโยชน์ต่อสรพสัตทั้งหลายเพราะว่นในละแวกของเราถ้าเราสังเกตดูเห็นไหมสุดลูกหูลูกตามีแต่ต้นยางพาราทั้งนั้นไม่มีป่าธรรมชาติไม่มีป่าอะไรเลยในเมื่อป่าสวนยางเนี่ยพวกสัตว์สาราสิงเขาจะอยู่ยังไงเดีย้เราสังเกตดูที่ในวัดของเราหนึ่งพวกนกพวกสัตว์ทั้งหลายมันเต็มยุ่เยียไปหมด พราเหตุไรเพราะภายนอกมันไม่มีไม่มีที่ไม่มีพึ่งพาที่พึ่งพาอาศัยแล้วนี่แต่สวนยางเขาานั้นก็เข้ามาในวัดของเราก็อย่างน้อยก็มีอาหาร เ, าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของมันบ้างเพราะมันเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานเราเป็นมนุษย์มีสติมีปัญญามากกว่าสัตว์ที่ไร้นก็ควรจะให้ความคุ้มครอง เ, อเพราะว่าเราเป็น พระเป็นผู้ทรงศีลอีกต่างหากหพวกเราให้สังเกตดูนะพวกนกพวกสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยพวกสัตว์พวกก ร, รอกกระแตพวกอะไรเถอะถ้าเห็นมนุษย์เข้าไปเห็นคนเข้าไปเว่งห น, นีอย่างหัวสุกหัวสุนนะเพราะหะไรเพราะมันกลัวถ้าเห็นพระเนี่ยคลองผ้าสีเหลืองสีนี้เข้าไปมันไม่กลัวเท่าไหร่นะ มันมองแล้วก็มันกินั่นแหละระวังเพียงแต่ระวังระวังเท่านั้นเองเออพราะว่าเราเป็นมนุษย์มันไม่รู้จะมาไม้ไหนอาจจะปลอมก็ได้จริงก็ได้มันคงจะว่าอย่างนั้นแต่ขนาดมนุษย์ก็ยังพระจริงพระปลอมก็ยังมีสัตว์มันก็คงจะดูอย่างนั้นเหมือนกันมันก็คงจะคิดว่าเป็นพระปลอมไว้ก่อนอาจจะซ่อนอาวุธไปทําร้ายทํา้ายมันก็ได้นี่มันก็แต่ถึงยังไงมันเห็นผ้าเหลืองมันก็ไม่ แล้วไม่กระโดดโลดเต้ไม่วิ่งหนีป่าราบทีเดียวก็ยังให้ความสําคัญอยู่เนี่ยจนหลวงตาท่านบอกว่าเวลาเขาอยู่ในป่ารงพงไพ่บางทีเห็นสัตว์มันก็เห็นมันก็กลัวอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่วิ่งหนีป่าราบเหมือนกับเห็นคนเลยมันก็คงจะคิดว่าในอดีตชาติของมันมันคงจะเคยเป็นมนุษย์ก็คงจะเคยเห็นพระ ไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ก็มังมันก็เลยไม่กลัวเท่าไหร่เลยการในลงตาท่านก็พูดนะพูดถึงเกี่ยวกับสัตว์นะพอลงตาในท่านรักสัตว์ในวัดของท่านท่านรักมากนะเอาหอกเอาจำไมก้กอนอาหารก็หลอกกระแตเนี่ยท่านมาให้ขาดละไปไว้ไปวางไว้เป็นจุดเป็นจุดเพื่อเลี้ยงสัตว์ในวัดของท่านเนี่ย อันนี้พวกเราที่มอนะอมองเห็นจุดนี้นะหลวงพ่อมองเห็นจุดนี้แหะที่เราจะปลูกป่าขึ้นมาใหม่สะรอบขอบสะน้ำเลยมันเหมาะเหลือเกินที่จะต้องเป็นอาหารพวกสัพสัตว์ทั้งหลายอย่างต้นไทตต้นลูกว่ารุ่นหมากเมาต้นตาคบขัน น, น, นุนแหงขนนันนุนของบ้านการที่ปลูกในวัดของเรา อุบารุ่นก่อนๆท่านปลูกเอาไว้หลวงพ่อก็ให้ปลูกไปสร้างกุดตีล่างไหนใครปลูกพวกขนุนที่มันว่างๆขนุนมะม่วงแต่ว่าขนุนเนี่ยมันเป็นตลอดเออเพื่อเพตลอดทั้งแรงทั้งผลถ้ามันชุ่มขึ้นมาแต่หลวงพ่อไปเห็นพวกลิงพวกกระลอกกระแตมันกินนะกินขนุนนะหลวงพ่อไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่า ม, มันหิวให้มันกินไปเถอะมันก็กัดกิน พอกัดที่หนึ่งพอกัดถึงเนื้ อ, อยางมันออกมันก็หยุดตะกอนต่อไปวันต่อไปกัดเอก็กกัดต่อหลายครั้งหลายโหนมันก็เน่าแล้วติคําว่าเน่านี่ยคือมันสุกกว่างั้นอมันไม่มียางยางออกไม่ออกแต่นั้นก็กินใหญ่เลยที น, นี่นหะเราไปเห็นพวกลิงพวกข้างบางช น, นิดก็รอกกระแตกินพวกขนุน ในวัดของเราเป็นอาหารของมันนี่แหละหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราช่วยๆกันปลูกมีน้ําใจต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายสงสารมันเพราะว่ามันมันเป็นด่านสุดท้ายเป็นแหล่งสุดท้ายแล้วนในในละแวกนี้พอวัดของเรามันกว้างทั้งพันสามร้อยห้าสิบไร่ทั้งมีน้ําอารมสมบูรณ์อยู่ในนี้อีกต่างหาก เห็นสียจะสัตว์ตัวไหนที่มันเบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นหลวงพ่อจะจับให้ออกไปไว้ข้างนอกอย่างพวกงูเห่างูจงอางูงเหลือมแต่พอพวกอีเห็นพวกแล้วมันจับไม่ได้ถ้าว่าตัวไหนที่เป็นสัตว์เป็นพิษเป็นพิษเป็นภันยกับสัตว์อื่นหลวงพ่อจะพยายามให้จับเอาไปปล่อยปล่อยที่ไหนปล่อยนู่นปล่อยที่วัด หลุบเราบ้างรถวัดของอาจารย์ศักดิ์บ้างบ้านนาแข่เพราะเนื้อที่เขากว้างกว่าเราหลุบเราเป็นเนื้อที่เป็นป่าป่าสงวนมันติดจังหวัดเลยเป็นหมื่นหมื่นไร่แต่ของท่านศักดิ์นี่ก็ติดหลังเขาผูกคอนกันแต่เฉพาะวัดเราเนื้อที่ประมาณห้าพันกว่าไร่อันนี้ก็ยังสัตว์ยังไม่มากเหมือนวัดเราเขาไม่ได้มีขอบเขตไม่มีรู้ ไม่มีกำแพงมีตะรั้วแต่ของเรามันจํากัดเหมือนกับเป็นคอกชัดๆเป็นกรงชัดๆขังงูใส่คนขังคนใส่งนะูในวัดของเราเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้จับเอาไปปล่อยที่อื่นถ้าเป็นสัตว์เพราะวัดตัวเล็กก่อทานองก็ไม่มีอะไรแต่มันก็เบียดเบียนสัตว์อื่นแต่ถ้าตัวใหญ่หน่ากลัวเหมือนกันนะงูเหลือมนะ เพราะนั้นเราก็จับไปปล่อยไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกันตัวใหญ่ๆนะแต่ตรงอางแล้วเราก็จับไปปล่อยงูเห่าแล้วก็จับไปปล่อยปล่อยที่อื่ น, นพอเป็นอสารพิษพอพวกเราศรัทธาญาติโยมบางคนมาสู่วัดของเราบางคนก็ไม่รู้คิดว่าเขามาอยู่ป่าก็อยู่ป่าพิษภัยของป่านเราไม่รู้เพราะนั้นเราต้อง เราที่อยู่ก่อนรูนะ้เราก็พยายามไม่ให้พิษภัยมีพิษภายน้อยที่สุดพวกอสรพิษทั้งหลายเราก็จับจพวกตะขงตะคาบอยนีจับไปปล่อยหมดอันนี้ก็คือสัตว์ที่เป็นพิษเป็นภัยแต่ว่าสัตว์ที่เป็นนกไม่มีอาหารเราก็ต้องเตรียมอาหารอย่างที่ว่านั่นเลี้ยงเลี้ยงเขาบ้าง สเพสตาอาหารลิทิการอย่างที่หลวงพ่อได้พูดสัรพสัตว์ทั้งหลายเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยอาหารนะพวกเราเลี้ยงแต่คนควรจะเลี้ยงสัตว์ด้วยนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือให้พวกเรากว้างขวางมองรอบข้างรอบด้านช่วยๆกันคิดนะนะประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน คำว่าท่านคำนี้ก็คือวิญญาณสัพสัตทั้งหลายทั่วโลกจะช่วยจะช่วยเขาได้อย่างไงประโยชน์ของเราขอยาให้ขาดตกปกพ้องประโยชน์ของคนอื่นสัตว์อื่นสปปรพสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ใช่แต่มนุษย์นะต่อสัพสัตทั้งหลายทั่วโลกอีกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทท่านเรามองเห็นสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ เราก็ควรจะช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์เราจะไม่เบียดเบียนเราจะไม่รังแกเพราะชีวิตนพจน์นักปวดของอย่างพวกเราเนี่ยเราก็เห็นโทษแล้วว่าการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันเป็นความทุกข์บอบช้ําทางจิตใจอย่างมากสัตว์ทั้งหลายเขาพูดไม่ได้มีแต่มองตาพบพบพบผูดภาษาคนก็ไม่ได้ สุดแท้แต่พวกเราจะทําอะไรกับมันหักขามันก็ได้ค้อนทุบหัวมันก็ได้หักเอ้อมก็ได้จะปากมันหักขากันไกลมันก็ได้มันก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันพูดไม่ได้แต่ในใจของมันน่ะมันคิดยังไงอันนี้ไม่มีใครใครรู้ะถ้าจะรู้ได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระหันทาวกนั่นะหละแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็เคยพูดเคยตรัส สมัยหนึ่งเราเป็นนั้นเราเป็นนี้เราถูกนายพรานยิงถูกคนฆ่าลังแก้ะอย่างพระพุทธเจ้าท่านพูดสมัยหนึ่งเราเกิดเป็นลิงอยู่ในป่าป่าดงแต่มีบริวารมากเรามีบริวารมากคงจะเป็นลิงใหญ่พอสมควรมั้ง ทีนี้ต่อมาแม่แม่ของเรานะแม่ตาบอดลิงลิงเกิดมาแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยถึงจะเกิดมาจากใครท่านจะไม่ลืมนะกระดับเป็นลิงยังไม่ลืมแม่เห็นไหมเออบอเกิดมาแล้วยังมีเกิดมาจากแม่แล้วน่ยต่อมาแม่ตาบอดนะ่ะพอแม่ตาบอดก็มีน้องชายเกิดมาจากแม่อีกเป็นน้องชายเกิดมา แต่ลิงตัวนี้เป็นใหญ่ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเป็นจ่าฝูงแปลว่าปกครองหมู่พกเพื่อนตอนนี้ก็ไปหากินของแม่ก็พยายามประคองไปเรื่อยผลนี่สุดก็เวลาได้ผลละหมากรากไม้พวกหัวหน้าเนี่ยไปที่ไหนก็ต้องเห็นก่อนเพื่อนไปทางไหนก็ได้ผลละไม้มาก็ส่งให้ลูกน้องเอาไปให้แม่เรานะลูกน้องก็ลูกน้องลิงอย่างที่ว่าด พอส่งมามันก็ขึ่งทางมากินบ้างอันไหนที่มันอร่อยอันไหนที่มันจะดีมันก็กินก่อนฮะเหลือเๆเศษๆกูหัวหน้าจะลงโทษมันก็มาส่งให้แม่หัวหน้าลิงตอนนั้นกับหัวหน้าก็มาถามแม่เป็นไงส่งผลไม้มาให้กินอีกไหมไม่นะไม่มีนะมีแค่นิดๆแต่น้อยนะเอ๊ะพอเธอสังเกตดูจริงๆเออใช่ ลูกน้องมันไม่ซื่อสัตย์กันเลยพูดกับน้องชายเอยไม่ได้เราอยู่คืนอยู่กับหมู่เพื่อนเพื่อนฝูงนี่เลยมึงคงจะเป็นอย่างนี้แหละคงจะไม่ได้เลี้ยงดูแม่ของเราเต็มที่ เ, เราควรจะปีกตัวนะน้องชายก็เห็นด้ว ย, ยน้องชายก็ครับจากนั้นก็ลิงไอ้ลิงตัวนั้นก็หนีกลางคืน คือให้เอาแม่ขึ้นไปเกาะหลังตัวเองเนะ่ยสมัยเราเป็นเด็กตัวเราเป็นเด็กนะเดายังเกาะอกแม่เกาะหลังแม่ไนงะแต่เมื่อแม่ตาบอดแล้วนะจะให้เกาะหลังไม่ได้แล้ยนะกําลังแข็งแรงนะลิงหัวหน้าจ่าฝูงแม่ก็เกาะหลังห น, น, งนีกลางคืนห น, ะนีไปอยู่ตามลําพังหนีให้ห่างคล้ายว่าเราจะได้ดูแลแม่อย่างเต็มที่กับสองพี่น้องกับน้องชาย จนกว่าแม่จะตายจึงจะกลับมาหาผูงอีกก็คงจะคิดอย่างนั้นน่ะตอนนี้นพอไปอยู่ตามลําพังมันไปอยู่ใกล้มนุษย์เกินไปมนุษย์ก็อย่างว่าอยู่ในป่าตรงอันนี้นก็คงจะเป็นอดีตตะกรรมจองการจองกรรมจองเวรกันมาในอดีตเนี่ยมันจึงมาพบมาเจอถึงจะอยู่ที่ไหนมันก็เจอนลยอันนี้นก็นายพรานอยู่ในเมืองกัไปหาล่าสัตว์ มีธนูอาบยาพิษไปหาล่าสัตว์ในป่าไปเดินหาป่าหาที่ไหนก็ไม่ได้หาหญิงสัตว์วันนั้นได้กลับมาเดินกลับมาพอมาเดินมาเอกลิงสามตัวนี่ยเยเห็นออโอ้พ p านมันมาก อ, อทางพี่ชายนี่ก็โดดหนีลวมางัน้นเถะ โดดนี้บอกบอกให้อยู่ให้แม่อยู่ตามลาพังแม่เนี่ยนิ่งๆนะแม่นะพวกเราลบลิงสองพี่ชายน้องชายก็หลบไปหลบไปอยู่ในป่าไม้ก็คิดว่าอพลานมาเดินมาแล้วก็จะผ่านไปแล้วก็จิตแล้วไปนะตอนนี้พอผ่านมาผ่านป่าตอนนี้วันนี้เอ้ยไม่ได้อะไรไว้วันนี้ยิยงสัตว์ไม่ได้เห็นลิงเอาละเอาลิงไปเป็นอาหาร อพอวาแต่เนี่ยก็ขึ้นขาธนูเลยแต่เนี่ยพอขาธนูกงแล้อาบยาพิษเนี่เอพอลิงไอ้ตัวพี่ชายลูกชายตัวโตวเห็นโอ้เอาแม่เอายิงแม่เราแน่ไว่วาอยู่ไงเลี้งเลยกระโดดลงไปเลยไปขวางเลยไปขวางขวางไม่ให้ยิงแม่ยิงฆ่า ด, ดีกว่าเลอแม่เอามตาบอดเลยมันจะมองไม่เห็น่อ ต, ตัวนั้นเกิดพานในเห็น ตัวตะนามาโหตัวนี้ยิ่งสมบูรณ์ว่ะแล้วก็ยิงตัวนั้นเลยยิงตัวลูกชายตัวโตเนี่ยยิงตับเลยถูกถูกเราเป็นอยู่จังหวะใกล้พอถูกเข้ามาแล้วก็เลีงแล้วก็ตกต่ําเอน้องชายก็มองมองดูเอาตัวเดียวมันคงจะพอมั้งพอนายพานก็คงจะเอาตัวเดียวมันก็คงจะหนักพอแรงแล้วเหมือนเอน คงจะไม่เอาอีกมากเพอในพานเอาตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วยังจะเอาตัวแม่อเองบ้างไงแอบกําลังเตรียมจะยิงแม่อีกไอ้น้องชายนะก็วิ่งออกมาอีกเออมารับอีกเลยยิงน้องชายกตกตุ่มอีกแอบพอเสร็จแล้วก็ยังไม่เอาเอาทั้งสามตัวเลยไงแอบพอยิงตัวพี่ชายแล้วก็ยิงน้องชายเลยผลที่สุก็ยิงแม่มาอีก แม่ก็ตกลงมาได้สามตัววนะันนั้นนายพานคงจะพายตะพายคงจะหาพร้อมทั้งตะพายพร้อมก็มัง้งพอมาถึงบ้านไฟไหม้บ้านน่ น, นะบาปกรรมเลยนะท่านบกในชาตินั้นพามคนนี้พอมาถึงยังไม่ถึงบ้านไฟไหม้บ้านตัวเองวอดวอ ด, วดไยไปหมดพามนั้นก็ทิ้งลิง กระโดดไปเพื่อไปดับไฟโพธิสูตก็เลยเป็นบ้าไปเลยในชาตินั้นโพธิสูตก็เลยตกลงอเวจีมหานรกก็คือพระเทวทัตที่เป็นพรานในคราวนั้นเราเนี่ยก็คืออาน o ์ที่เป็นน้องชายของเราแม่ของเราก็คือแม่ของเราในปัจจุบันนี่แหละท่านกบวรวัตถึงเราจะเป็นเกิดเป็นลิงเราก็ยังปกครองแม่ของเราเพราะว่า เป็นผู้มีพระคุณเนี่ยอันนี้ก็คือสัตว์ที่ายฉานพระดวงกว็บอกพูดในอดีตชาติอดีตชาติของเราเคยเป็นหลิงเคยถูกเทวทัตเนี่ยยิงเรากับน้องชายกับแม่ของเราตายในชาตินั้นน่ยอันนี้ก็ท่านพูดถึงอดีตชาติแต่ท่านก็สรุประหว่านิทานเรื่องนี้เรืองปรชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงเราจะเป็นสัตว์ที่าานเป็นลิงเราก็ยังเสียสละแทน เชื้อชีวิตสละชีวิตของเราแทนแม่ของเราได้นี่แหละอันนี้คือพระโพธิสัตว์เพราะนั้นพวกเราถึงจะไม่ขนาดนั้นก็เอาเซี่ยวหนึ่งให้ดูแลพระคุณของบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณวัวิญญาณคุณวุฒิประเทศชาติบ้านเมืองรู้จักสูง ร, รู้จักต่ํารู้จักสิ่งควรไม่ควร พอเราศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักสูงรู้จักต่ําให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรอันไหนควรทําอันไหนควรคิดอันไหนควรพูดอันไหนควรปฏิบัติอย่างไรต่อสรรพสัตว์ต่อสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยะพวกเราควรจะปลูกไม้ไม้ผลด้วยนะเพื่อเลี้ยงสรรพสัตว์ทั้งหลายเขามีความรู้สึกอย่างไงเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่าน เป็นลิงท่านก็ยังระลึกอดีตชาติได้อันนี้ก็เหมือนกันนะั่นะพวกเราปลูกไม้ในวัดของเราโอ้ในสมัยข้าเกิดเป็นลิงเป็นสัตว์ในวัดสมัยนะมีนักพจนักบวชท่านดูแลปลูกต้นไม้ให้พวกเราได้อยู่ได้กินมีความร่มเย็นเป็นสุขในอัตภาพชาตินั้นไม่มีใครมาเบียดเบียนออ ถ้าวัดอสัปปรพสัตต์ทั้งหลายในวัดของเราเนี่ยเกิดพบหน้าชาติหน้าได้เป็นได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลคงจะระลึกถึงเยชาติที่อยู่ในวัดของเราก็ก็ได้นะเห็นไหมชัดทั้งหลายเงียบเลยมันฟังหลวงพ่อพูดเน้นนกไม่ร้องสักตัวเลยเห็นไหม <laughs> เอาแล้วพอในที่นี้นะ